บนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญยาอยินเป็นประธานานั่นเเทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ถูกเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนประทักขินสามรอบจุดทูเทียนดอกไม้บูชาพระเกศแก้วจุนลมณีเจดีย์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 ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้ น, นิสงแห่งการรักษาโวสตรินี้ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่อๆไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจะบวชเรียนเขียนอ่าน เมื่ออินทร์ปรมีเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้นนะอานิสงส์แห่งการรักษาอโวสอดสินเนี่ยนั่นเนี่ยทําให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนฆขมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากกามคุณเมถุนสังโยชนี่แหละอานิสงส์แห่งการรักษาโวสอดสินนะ ทำให้เห็นโทษในการมคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรก็ดีแม่ชีแม่เขาที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลโสถมาแต่ชาติก่อนห้นหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณร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 ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโคธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกบวชในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในในครั้งที่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 อันนี้แหละเช่นอย่างอสิตาภิกษุที่จะตัดสรุเป็นพรสีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาก็เลยมีศรัทธาล่ำลามารดาบิดาไปบวช ก็ไปบวชแล้วไม่ก็ไม่มีใครหรอกกินรู้ว่าเป็นพระศีอริยเมตไตเนี่ยนะพอดีในขณะนั้นพระนางมหาบชชบรีโพธมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์พระองค์มาแนะนำให้ถวายแก่สง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 นองก็ไปถวายองคไหนองไหนก็ไม่รับไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อาชิตาภิกษุภิกษุหนุ่มว่าเพื่อนทั้งหมด <c oughs> อันถ้าอาชิตาภิกษุก็รับมานี้รับอผ้าคู่นั้นนะพนางมหาระชบุรีโคตมีเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า อันผ้าไหมอันนั้นตั้งใจลงมือปลูกฝ้ายด้วยตนเองรดน้ำด้วยน้ำนมด้วยด้วยน้ำทองน้ำทองคาอะอ่านี้ดอกฝ้ายนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคํา <c oughs> แล้วก็เก็บดอกฝ้ายด้วยตนเองแล้วก็เอามา ปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเองจนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงยุบถวายราาพระศาสดาก็องค์ไม่ทรงรับอันนี้เลยเมื่อเสียประไทยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงสแสดงปาฏิหาริย์มาดิ เอาบาทของพระ อ, องค์มาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิษฐานขอให้บาทใบนี้นะจงเลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนน่นแล้วอย่าให้พระสาวกองค์ใดหาเอาได้เลยนอกจากอสิตธาภิกษุองค์เดียวเท่านั้นพออธิษฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กีบเมฆไปเลยพระ อ, องค์ก็ทรงรับสั่งให้ พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชทั้งก็ไปแล้วเหาะไปเออสแวงหาจนทั่วทุกทิศทั้งบนอากาศทั้งบนบินทั้งบนทั้งในน้ำก็ไม่พบเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครนำอาบาตมาถวายพระสาทสดาได้เลย บันิพ อ, องค์ส่วนอชิตตาภิกษุท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านหเหาก็ไม่ได้ก็ อ, องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอธิตตาภิกษุจงตามหาบาทเราจะถาคตรสิท่านพระอชิตตาภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมาการาภาศาธรรมดาสามครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ ลานที่กว้างนั่นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อแสวงหาลาภยศสนเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเท ว, เทวดาเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมาในเพื่อมาสร้างโคธิสมผานบา ร, รมี ให้แก่กล้าขอให้ได้ตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสตร์สดาสัมมาสมพุทัยเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พอท่านอธิษฐานเสร็จ ท่านก็ยกแบมือไว้ทันใดนั้นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอธิตตภิกษุนั้นอธิตตาภิกษุนำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบรีโคตมีเห็นบุญญาณุภาพของอศิตตภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอนันั้นลง นันแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดาก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมานี่ทานนั้นน่ะมันมีอยู่สองประเภทบุกลิกกทานหนึ่งสังฆทานหนึ่งอือทีนี้ทานสองประเภทนี่น่ะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สงฆ์นั่นแหละได้อานิสงฆ์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้น พนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานบันนี <S <S <อ>้ก็จะ้นคนบางพั้วาบางเหล่าเมื่อให้ทานจริงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายทายทานใดๆก็ดี<อ>ถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้วันนี้การถวายสังฆทานมันมีระเบียบอยู่อันนี้นั่นแหละ การถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นะกับจำนวนที่สูนั่นแหละสมมติว่าของมมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมมีมากอย่างนี้เจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงไปเลยแล้วแต่สงจะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้วันนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบ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 และท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสมมติอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทําการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถรละส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามนเณรก็มีคารือหัดก็มีอฉ ะ, ะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบรังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงนี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึงสามครั้งก็สงทนายก็นิ่งอยู่ไม่มีใครชี้แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิแบบนี้แจกของนั้นส่วนส่วนใดที่ถวายพระเถระนั้นก็เรียกว่าต้องมากกูเพื่อนอื ต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอเสมอกันไปอย่างว่าของนี้สงควรจะแจกได้สิบรูปหรืงเนี้ยก็แบ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็แจกไปแจกไปถึงองค์ที่สิบหมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ทำเนียมแจกของสงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่ามีของสงเกิดขึ้นในขราวต่อไปวันนี้ก็ หากว่าของมีน้อยนี่ยอีก ก, ก็แจกต่อจากองค์ที่สิบนั้นไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดสิบสองไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกลัวจะครบหมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแล้วก็วันนี้ถ้าว่ามีผู้ถวายสังฆทานอีกก็ตั้ง้นถวายเต่พระสังฆเถระไปแล้ววันนี้น ะ, ะเป็นอย่างนั้นนี่การถวาย เป็นสังฆทานในพุษษทธศาสนานะ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้บุคลิกทานได้แก่ให้ทานแก่บุคคลบบนี้นะเช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจำกัดสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั่นนะเพราะว่ามีของเท่านั้นและถวายได้เพียงองค์เดียวยนี่เจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใด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 การให้แก่สงนั้นมีอะไรสงมากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานีจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงหรือว่าอาศัยบริษัทสี่พร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติธปฏิบัติตามคําสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนานก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไป แต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั่นนะสมมุติว่าถ้าหาว่าพระองค์นั้นน่ะหนีไปที่อื่นแล้วยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เขวัดไม่ทำบุญอย่างนี้แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านบ ร, รณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนน่ะเรียกว่า เป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เลื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้วอพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วละไม่ไม่ทําบุญแล้วเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงตรัว่าการให้ทานแก่หมู่สงฆ์นี่นะจึงมีอนิสงส์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา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 ก็พืชปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สมเน็น้อยเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ด้วยดียะนี้ก็ทายกทายิกาก็เริ่มใสยิยนดีถวายทานไม่อดไม่ยาก <c oughs> ในประเทศศรีลังกานั่นท่านสแสดงไว้ในตำราเนะ่ มีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าวัฒคามินีอภัยอันนี้เลื่อมใสในพุทธศาสนามากวันี้ อ, อวันหนึ่งพระเจ้าวัฒคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอ๊อสมณเณรน้อยองค์นี้เนี่ยจะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดู วั น, นี้ก็ให้พ่อครัวอปิ้งนกกระทาตัวหนึ่งแล้วกใน้อมเอาไปถวายแก่สามเนรน้อยนั้นสรมเนนน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเอ่อเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจนกับฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาเสวยอ่า พระราชาได้เห็นความมั่งน้อยสันโดษของสมมเนยอย่างนั้นเลื่อมใสยอย่างใหญ่โตได้ถวายสํำรับแก่สมมเนยน้อยวันละแปดสหรับสมมเนยได้รับอาหารวันละแปดสหรับอย่งนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเนนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาใจพอฉัน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 อย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพาการตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทา ย, ยกทา ย, ยิกาทั้งผู้คลองเรือนทั้งหลายก็ให้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสานานีด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ ตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทา ย, ยกทายิ ก, กาก็ตั้งอยู่ในฐานวัตขอนวขในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัดพยายามรักษาสินห้าสินโวสดให้บริสดุดพุทธองให้ได้ ตั้งอยู่ในธรรมสาวนานาไม่สนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหวพระการภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้ให้มันมั่นคงให้มันเรื่มใสนับยิ่งในคุณพระรัตนไกรและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจะานำตนในพ้นทุกข์ได้จริงๆ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นอกจากบุญจากคุณนี่แล้วไม่มีเนี่ยฝึ ก, กจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุนนี้ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วกิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้พิษโทสามเณรก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือสินสมาธิปัญญานี่ ให้เต็มความสามารถของตนของตนน่แล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมโนมนา น, นั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไป <c oughs> เพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความมีช้าพยาบาทอันเป็นฝ่ายอกุศล น, นี่นะ ออกจากจิตใจนี้ได้จริงๆเลยเอ่นยกตัวอย่างว่าผู้เคารพในศีลจริงๆอย่างเนี้ยอ้าวถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทอย่างเนี้ยนึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้ไปนี่มันก็จะเอต่อยจะตีกันจะฆ่ากันศีนก็ขาดี่ไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาทกับใครเลยศีนจะขาดนี่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 แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทายกทายกาคดีเป็นพิสูสามเณร็ดีให้เพิ่งตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธรรมอันที่ตนได้สะสมมาสะสมมันมานมนานหลายชาติหลายพ่อมาแล้วนี่นะ